ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมาวิทาลัยศีปทุมกำลังนำเสนอนันทนสูตรซึ่งเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้ารับสั่งเล่าถึงการสนทนาก็ไม่เชิงสนทนาทีเดียวคือเทวดาตนหนึ่งท่านไปเที่ยวอุทยานนันทวัน ก็รู้สึกสนาสนุกสนานเพลิดเพลินอยู่ที่นันทวันแล้วก็กล่าวเป็นทํานองคล้ายๆกับว่าตัวเองนั้นวิเศษเหนือกว่าคนอื่นเพราะว่าได้ต้องเที่ยวไปในอุทยานนันทวันจนถึงกระเปล่ง คือกล่าวเป็นขัดถาออกมาว่าเทวดาเราใดไม่เห็นนันทวันนันเป็นที่อยู่ของหมู่นรเทเสภสมสิบผู้มียศเทวดาเหล่านั้นย่อมไม่รู้จักความสุขคือหมายความ่าเกณฑ์กำหนดของท่านเนี่ยก็ถือว่าการเห็นอุทยานนันทวันเป็นความสุขพอดีก็มี เทวดาองค์หนึ่งซึ่งได้ยินเขามันก็แสดงให้เห็นอย่างหนึ่งนะฮะว่าเรื่องเดียวกันนั่นเองแต่บาคนเรามีวุฒิภาวะแตกต่างกันหมายความว่าความแตกต่างที่จริงก็มีความหลากหลายแตกต่างกันหลายๆเรื่องก็จะมองออกมาไม่เหมือนกัน เราล อ, ลองมองดูถึงว่าพัฒนาการทางจิตสูงสุดของมนุษย์เนี่ยแม้ยังไม่บรรลุมรรคผลแต่ว่าโลกกระทึกคือการมองโลกมองชีวิตของท่านเหล่านี้แปลกกว่าคนทั่วๆไปคือคนทั่วๆัวไปน่นจะมองอย่างนั้นไม่ได้แต่ว่าท่านเหล่านี้มองได้เราจะยกตัวอย่างพระพุทธเจ้าก็สูงเกินไป คือดูตัวอย่างอย่างท่านาพระยะศก็ดีพระยาศะ์ที่จริงก็เป็นสามัญชนะะะแต่บันดีขึ้นดีนี่ท่านเกิดมองสาวสันคำนันในในปราศาสเป็นซากศพได้ก็ะะะถือว่าเป็นโลกธศต์ที่ยิ่งใหญ่มากระะะหรือว่าการที่นางธรรมธินา ซึงเป็นพัญญาของท่านวิสาขาอุปสมในขณะนั้นท่านยังเป็นสามัญชนอยู่วิสาขาอุาสมท่านบรรลุอนาคามีพระอนาคามีนั้นจะไม่มีความรู้สึกต้องการในทางเพศก็เรียกายุติการเสพกามแล้ว ผนจึงมอบหมายทรัพย์สมบัติทั้งปวงให้แก่นางธรรมทินาแต่นางธรรมทินาแทนที่จะดีใจว่าเป็นเศรษฐีในชั่วพริตาเนี่ยเกิดตัมองด้วยความรู้สึกว่าวิสาขาอุบาสกนั้นดูหมินท่านการที่เอาทรัพย์สมบัติซึ่งตัวเองไม่ปรารถนาแล้วก็มาโยนให้ท่านเนี่ยครอบครอง มันเหมือนกับเอาขยะมาชิ้งคือต้องการจะถมน้ำลายแล้วก็ถมรลบอนศีรษะของท่านเพราะท่านไม่ยินดีในทรัพย์สมบัติแต่ว่าขอว่าถ้าหากจะให้เนี่ยขอให้อนุญาตให้ท่านออกบวช อิสาเกวบสกท่านเป็นพระนาคามีปัญญาไปแสดงความรู้สึกอย่างนั้นก็มีแต่อนุโมทนาก็นําไปบวชในสํานักปิกษุนีบำเพ็ญเพียรไม่นานก็บรรลุมรผลเป็นพระราารอรหันต์ความรู้สึกเหล่านี้มันมีก็หนึ่งในหลายหลยร้อยอาจจะหลายหายพันอาจจะหลายๆหมื่นอาจจะหลายหลล้านแต่มีคนที่มีบา ร, รมีอย่างนี้อยู่ ไม่พอใจไม่ยินดีในโลกวัตถุทั้งหลายพูดง่ายๆว่าวในกามคุณทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสคือเย็นร้อนออนแข็งก็าตามเพราะเราจึงพบในชาดกที่แสดงถึงพัฒนาการทางจิตของพระโพธิสัตว์มาโดยลำดับ มาถึงพระชาติที่ก็ใกล้ๆจะสุดท้ายที่เป็นพระเวสสันดรที่เราฟังเรื่องมาชาติจดุปมาคือถ้าเรามองดูนะฮะคือเจนว่าท่านไม่อินังขังขอบนี้นอะไรเลยทรัพย์สริงคารตำแหน่งรัชทายาติความเป็นใหญ่ในปวงชนเป็น ราชาผู้ปกครองแวนแควนอะไรต่างๆไม่พอใจไม่ยินดีไม่ต้องการอะไรเล ย, เลยต้องการเพียงได้สร้างบารมีต้องการเพียงทาบุญบารมีให้ได้หมดแม้แต่ว่าตัวเองกำลังจะหมดเนื้อหมดตัวก็ยังให้ให้มาให้รถก่อนนะแล้วก็ให้มา แล้วก็อุ้มลูกต่อมาก็ให้ลูกต่อมาก็ให้พระชายาก็เรียกว่าให้ได้ทั้งหมดเพียงต้องการให้ท่านเหล่านั้นได้เป็นดุจสำเพอทองที่นำพาท่านไปสู่มรรคผลนิพพานเป็นประการสําคัญ เมื่อการมองตรงนี้เราจะเห็นว่าเทอดาสองสองตนนี้มองกันคนละเรื่องใดเรื่องเดียวกันะแต่มองกันคนระดับมากคือระดับมันห่างกันมากข้อ น, นี้อย่างที่ท่านกล่าวไว้เป็นคำกลอนว่าสองคนยนต์ตามช่องคนหนึ่งมองเห็นโครนตมคนหนึ่งตาแหลมคมมองเห็นดาวอยู่พร่าวไพรนั่นคือความจริงที่ไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลง เพราะในขณะที่คนเป็นจำนวนมากเก็บสะสมรวบรวมทรัพย์สมบัติไว้ก็ยังนึกไม่ออกนะว่าจะใช้จ่ายสกี่ชาติจึงจะหมดแต่คนกลุ่มหนึ่งเนี่ยขอเพียงพออยู่พอกินมีเหลือกินเหลือใช้นิดหน่อยเพื่อป้องกันปัญหาและจากนั้นก็จะช่วยเหลือจนเจือสังคมด้วยพิธีการาต่าง เราราจึงพบว่าคนที่ไปช่วยพวกประสบสาธารณภัยทั้งหลายเนี่ยในส่วนของเอกชนมันก็ไม่ถึงก ร, ระดับมหาเศรษฐีใหญ่ๆแต่เป็นระดับคนที่พออยู่พอกินพออยู่พอใช้หรือกินหรือใช้นิดหน่อยแล้วก็จะเข้าใจซึ่งกันแข่กันเหตุทุกข์ของกันแข่กัน พลันอุทยานนันทวันเนี่ยมันก็ที่จริงก็คือสวนเนี่ยนะทุกอย่างในนันทวันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระไปเพียงแต่ว่ามันเป็นทิพยาภาวะมันก็ช้าหน่อยมันก็ไม่เหมือนกระดอกไม้ธรรมชาติธรรมดาหรือสวนธรรมชาติธรรมดาแต่ว่ายังไงมันก็ไม่เียงแถ้แน่นอนพลันเทวดา องที่สองจึงกล่าวว่าดูก่อนท่านผู้เก่าท่านย่อมไม่รู้จักคำของพระหันทั้งหลายสังขารทั้งหลายังางาย้งบวงไม่เที่ยงมีการเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิด ข, ขึ้นแล้วก็จะดับไปความสงบระงับสังขารเหล่านั้นเสียได้เป็นสุขอันนี้คือคือ อมาตะาวาฏฐคือวาฏฐที่เป็นจริงแต่ว่าคนที่พูดวาฏฐเชนนี้ได้เนี่ยคือจะท่องมาไนใครก็ว่าได้แต่ถ้าเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาจิตมาอยู่จุดนั้นได้จริงๆนี่จะเห็นการเกิดดับทิฏฐิยิบของเรื่องทั้งหลายแล้วก็เห็นอย่างนั้นจริงๆ ดวยามองดูมันก็คล้ายๆกับเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เป็นอนมากในปัจจุบันที่ใช้ส่องดูตัวเซลล์เล็กๆที่มันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในตัวของมันแม้แต่หยดเลือดเพียงหยดเดียวมันก็สะท้อนให้เห็นว่าไอ้สิ่งทั้งหลายมันก็มีความเป็นอย่างเนี้ยเป็นธรรมดาแต่ว่าข้อที่น่าสังเกตคือเทวดาท่านก็ไม่ได้เห็นเองหรอก เพราะว่าจริงๆแล้วอยู่สวรรค์ชั้นดาวบดึงเนี่ยมันเห็นแต่ลักยากเพราะอะไรเพราะไม่เที่ยงก็เห็นยากเป็นทุกข์ก็เห็นยากเป็นอนัตตาก็เห็นได้ยากเพราะอายุท่านยืนมากดูอายุอย่างเดียวที้เห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่จะดูยากเพราะยัมีหลักอยู่ว่า พระพุทธเจ้าจะไม่เสรู้บนสูงสวรรค์ยิ่งพรหมโลกเลิกพูดเลยเพราะพวกนี้ไม่รู้ใจลักทีนี้คนถ้ายังไม่เข้าถึงใจลักเนี่ยมันมันยากที่จะไปถ่ายถอนตัณหามาหนตทิชชี่ออกไปแต่คนส่วนใหญ่นั้นเราจะเห็นว่าไปเข้าใจตัวความเป็นตัวภาวะ มันที่จริงมันเป็นภาวะทิฏฐิคือความเห็นว่าไอความเป็นเหล่านี้มันเที่ยงแท้ยั่งยืนมันก็สืบเนื่องมาจากภาวะตัณหาถึงกระต่ายผู้ฟังก็อาจจะมองกลับไปที่ที่ตัณหาสามนะฮะตัณหาสามที่เราคุ้นๆมากอะ่ะแต่เรถามมันเกิดขึ้นมาได้ยังไง เ, เพราะว่า ด้วยวิชาที่ปิดบังเหตุผลสติปัญญาของคนไว้เนี่ยทำให้คนเข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นเน่ยจีงแท้ยังยืนไม่แปรผันคิดไปคิดมาทำนองตัวเองจะอยู่คำฟ้าชั่วนออันดรสมัยสมัยเป็นก็ตอนนั้นอายุยังไม่ครบส0บปีอ่ยี่สิปี แล้ดูภาพยนตร์เรื่องเรื่องหนึ่งชื่อชัว่ว น, นิรันดรนแล้วมันมีประโยคประโยคหนึ่งเราถือว่าคมมากพระเอกก็ยืนอยู่ริมริมทะเลแล้วก็มองไปที่ทะเลแล้วก็อุทานขึ้นมาว่าคลื่นทะเลซัดกระมาฝังแล้ว ก็ย่อมจะหายไปแต่ว่าคลื่นรักที่ซัดมากระทบดวงใจเนี่ยทำให้ระลึกถึงอยู่ชัว่วนิรันดร์คือประโยคแรกเราจะเห็นว่าทํานองเห็นใจรักเห็นใจรักไว้เกิดขึ้นัต่อยู่ดับไปขึ้นแต่เลม่มก็เกิดขึ้นัต่อยู่ดับไปเกิดขึ้นัต่อยู่ดับไป แต่ว่าทำไมขึ้นรักพอเกิดขึ้นมากระทบใจทำให้ระลึกถึงอยู่ช่วนนิรันดรเป็นประโยคที่ได้ยินมาห้าสิบกว่าปีแล้วนะฮะตตอนนั้นอายุสิบแปดสิบเก้าแต่มันมันรู้สึกว่าติดติดหูมากเราฟังทีเดียวเราก็จำได้แล้วก็มามองว่า เป็นการเข้าใจผิดด้วยอำนาจของอวิชชาที่ปิดบังเหตุผลสติปัญญาเอาไว้ที่จริงความรักที่เราคิดว่ามันกระทบใจเนี่ยมันเป็นกระบวนการทางจิตอย่างหนึ่งแต่นั่นเองคือหมายความว่าเราสัมผัสอารมณ์ในกรณีนี้ <S <S นในกรณีเนี้ยพระเอกก็พูดถึงนางเอกนะัก็เห็นได้ตา อาจจะยินเสียงด้วยหูหรออาจะสัมผัสครบทั้งห้าเรื่องก็ได้นะทั้งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเอาละแต่ชิตจริงมันเกิดจากจิตกําหนดเอาว่ารูปสวยนั้นเึีงแท้ยังยืนเสียงไปรอ้องเทีงแท้ยังยืนรสอร่อยเทียงแท้ยังยืนกลิ่นหอมเึีงแท้ยังยืนสัมผัสน่าจะต้องเทีงแท้ยังยืน แล้วก็จริงเราจะเห็นชัดเจนว่าไม่มีอะไรเชี่ยงเลยมันมันก็เหมือนกับคลื่นนั่นแหละมันก็เหมือนกับคลื่นนั่นแหละแต่พอถึงตรงนั้นมันเกิดเป็นเกิดเป็นตำหาเกิดเป็นอุปาทานคือมันอายตนะภายในภายนอกวิญญาณพอเกิดสัมผัสแล้วเราเกิดสุขเวทนาไอ้สุขเวทนายิ่งเราคิดตัวเองนะคิดตัวเองมันเป็นสุข แล้วก็เกิดปัญหาคืออยากให้แกอยู่ต่ออยากแกอยู่ต่อพอดีแกไม่อยู่แกไม่อยู่ก็ระลึกถึงชั่วนี่รันดอนก็เหมือนดับไปเหมือนเคลื่อนทะเลอ่ะทำไมเคลื่อนทะเลคุณรู้มันดับะแต่เคลื่อนรักสมัยคุณมายอมมันดับอนี่คือคือปัญหาปัญหาว่าทั้งทที่ดูแล้วเนี่ยคล้ายๆเข้าใจแต่ไม่เข้าใจ เพราะอะไรเพราะว่ามันมีอวิชชาแล้วอวิชชาเกิดมาจากอะไรเกิด <_ d ata> มาจากราวะตัณหาเพราะวะตัณ ห, <_ d ata> หาเกิดมาจากอะไรก็เกิดมาจากอาวิชชามันก็พอเป็นตัณหาแล้วก็ยึดอยากให้เป็นเช่นนั้นอยู่ตลอดไปทั้งทั้งที่แกเห็นนะว่าขลืนทะเลนี่ก็หายไปแล้วขลื้นรักเองเนี่ยที่จริงคนที่รักนี่ก็ตายไปแล้วจากไปแล้ว ทำไมใจคุณไปคิดถึงอยู่ละ่ะทำไมไม่ให้ให้มันดับไปตามตามความรู้สึกละ่ะมันดับไม่ได้เพราะว่าเป็นความอยากแล้วก็ยึดมันก็กลายเป็นพบคือความรู้สึกอยู่ภายในใจนะว่าตนเป็นอย่างนั้นตนเป็นอย่างนี้ตนเป็นอย่างโน้นเพราะงั้นมันก็กลายเป็นผูดด้ตั้หามานาทิฐิก็ดมายความงางมาความว่าท่านไม่เห็นความจริงหลักกฎของปัจจัยหลัก ทางทาง ท, างที่พอทะเลนี่ท่านพูดได้แต่ความรักท่านพูดไม่ได้ที่จริงทั้งหมดเนี่ยทะเลมันเป็นกฎของธรรมชาติความรู้สึกมันก็เป็นกฎของธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปด้วยกันแต่พอถึงเรื่องของความรักปรากฏว่าเสียหลักหรือตั้งหลักไม่ได้ ปัญหาในโลกมันเป็นปัญหาซ้ำๆซากๆคือวันก่อนได้อ่านหนังสือที่เกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิดของคนไทยสามจังหวัดภาคใต้ระดับแกนนำือนกึกเออแกคิดแปลกแกคิดแปลกว่าไปอ้างคำพีจะมีจริงหรือไม่จริงไม่ทราบนะคมพีเนี่ย บอกว่าพระเจ้านี่อนุญาตให้ขับคนนอกาศาสนาออกจากแผ่นดินอิสลามก็<ะ>บอกก็เออความคิดอย่างนี้ที่จริงมันตีกันเองมั่วหมดเลยตัวระบบของความคิดเนี่ยคือถ้ามีข้อความอย่างนี้อยู่จริงมันขัดแย้งกันเพราะว่าโดยหลักการแล้วสรรพชิบิต่มาจากันเลาะแล้วเมื่อมาจากันเลาะแล้วเนี่ย มาจากพระเจ้าเอาพูดพระเจ้าก็แล้วกันเพราะว่าศาสนาแต่ละศาสนาก็คิดอย่างนั้นเทวนิยมเนี่ยก็แสดงว่าการที่มีคนกลุ่มหนึ่งไปนับถือศาสนาอื่นตลอดถึงมีศาสนาองค์อื่นก็แสดงว่าเป็นพระสงค์ของพระพุทนเจ้าที่เปิดโอกาสให้บุตรซึ่งท่านสร้างขึ้นมานเลือกเอาเอง นะเธอจะนับถือศาสนาอะไรทีนี้เมื่อถือว่าทุกคนที่ท่านสร้างแล้วก็ไปเปิดโอกาสให้คนลูกคนหนึ่งไปฆ่าลูกคนหนึ่งได้มันก็นึกนไม่ออกนะฮะว่าอะไรคือธรรมะอะไรคือคุ ณ, ณธรรมอะไรคือยุติธรรมอะไรคือพ่อจิตวิญญาณของความเป็นพ่อเนี่ยสามารถสั่งลูกคนหนึ่งให้ฆ่าลูกคนหนึ่งได้ นั่นคือคืออะไรคือเกิดมาจากอาวิชชาตันหาปาทานแล้วก็มันยึดโดยไม่ได้มองกันโดยเหตุด้วยผลทีนี้จริงๆแล้วศาสนาเนี่ยศาสนามันเกิดทีหลังมนุษย์มันเกิดทีหลังโลกแล้วก็ศาสนาในอนดีตที่เขาเรียกศ า, าสนาที่ตายไปแล้วเนี่ยก็ุ่มมีเยอะอยะเปหมดเลย มนุษย์ยุคโบราณเนี่ยเป็นลักษณะเร่ร่อนเป็นผ่าชนที่เร่ร่อนก็สร้างบ้านเมืองไปหลักเป็นฐานกันไม่กี่พันปีก็แสดงให้เห็นว่าในท้องถิน่นแต่ละท้องถิ่นเนี่ยมันมีเผ่าพันธุ์มนุษย์อยู่เยอะแล้วเมื่อยังไม่มีศาสนาก็ไม่รู้คนเหล่า น, นั้นนับถือศาสนาอะไรหรอกนะแม้ในแผ่นดินที่ สนนบีปฎิสถานศา ส, สนาอิสลามที่มักกะหรือเมกะเนี่ยหรือแม้แต่เมดินาหรือมานดินานี่มันก็มีชนเยอะที่นับถือเทพเจ้าเยอะแยะไปหมดตั้งสี่ห้าร้อยเพราะเราจะถือแผ่นดินของใครเยมันไม่ได้หรอกเพราะแต่ละคนต่างอาศัยแผ่นดิน แต่ก็ทุกคนก็ต้องทิ้งไปแผ่นดินเขาไม่รับรู้ว่าใครนับถือาศาสนาอะไรแผ่นดินก็ไม่แบ่งแยกอะแล้วทำไมเราเรามันคิดแบ่งแยกเองอย่างดินแดนตรงเนี้ยดินแดนที่เป็นสามจังหวัดภาคใต้เนี่ยคือเราเห็นว่าคนอิสลามเข้ามาจริงๆมีพศสองผันกว่าแล้ว ก็ขนาดนั้นแหละพระพุทธศาสนาเข้ามาพันกว่าปีแล้วเกือบเกือบสองพันปีแล้วนะฮแล้วก็พระพุทธเองก็กระจายทั้งมอนทั้งกระเมนทั้งอะไรไกล ย, ยกันอยู่ในส่วนต่างๆลงไปถึงโกเซมังซากายอะไ ร, ต, ะรต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยนะแล้วในสุดในการต่อมาก็พอค้าทางเรือก็มีสลามเข้ามาแล้วก็อยู่ประพนกันมาอย่างนั้นไ เราอ่านแล้วแล้วยิงเรานึกไม่ออกเอ๊ะทำไมอ่ะมันอยู่กันมาตั้งนานได้เกินนะเนี่ยเราไม่นึกอะไรขึ้นมามีอะไรขึ้นมาถึงจะต้องมีความรุนแรงจะต้องมีการเข็นฆ่าทําลายล้างกันแล้วไม่เลือกพุตธคริตอิสลามไปแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกนี่คืออะไรคือคือคือเรามองสังขารเรามองความเป็นของเราว่า ย, ยังยืนถาวรตลอดไปแม้แต่พูดถึงอัตลักษณ์แ ต, แต่ว่ากันตามความจริงแล้วสังคมไทยเราเนี่ยเคารพอัตลักษณ์ของคนทุกพวกเราจะเห็นว่าอย่างแถวเพชรบรุรีราชบุรีเนี่ยก็มีเขาเรียกาลาวพุงดำลาวส่งลาวซ่งมีอะไรอะไรเยอะมากในประเทศไทยเนี่ย แล้วต่างคนต่างก็มีว่านธรรมมีขนบธรรมเนียมมีประเพณีมีอะไรอไรไปของท่านแล้วเป็นความสวยงามเพื่มความสวยงามเป็นความหลากหลายของสังคมพอเราอ่านเรายิ่งเห็นชัดนะฮะยิ่งเห็นชัดว่าปัญหาใหญ่นะีอยู่ที่ศาสนากับภาษาแล้วที่ค่อนข้างสำคัญที่จริงภาษาคือวัฒนธรรมเนี่ยมันมาจากศาสนา แล้วทุกคนก็เคารพ ก, กันเขาไม่ได้เคยตั้งอะไรรังเกียจอะไระใครก็จะเล่นผีตาโขนที่ไหนก็จะทําอะไรก็ไปกันก็ไม่ได้ว่าไรใครมันเป็นความหลากหลายแล้วทุกสูตรในโลกมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเป็นความหลากหลายเป็นความสวยงามของโลกยิ่งประเทศสหรัฐอเมริกายิ่งแล้วใหญ่เลย ประเทศอินเดียนี่ยังแล้วใหญ่เลยนะฮะมีลัทธิมัศาสนามากมายกายกองก็ก็มันเยอะฮะคือถ้าแม้แต่จีนเนี่ยดูการประชุมสภาจีนเนี่ยสมาชิกสภาเนี่ยมีทุกผิวผัดเลยรูปร่างหน้าตาผิวผันเอ๊ะทำไมเขาอยู่กันได้นี่เห็นได้ชัดนะฮะเห็นได้ชัดว่าปัญหาที่เราคิดว่าเราเชี่ยงแท้ยั่งยืนเนี่ย เราเหนือกว่าคนอื่นอย่างเทวดาคิดเนี่ยเราเหนือกว่าคนอื่นที่มาอยู่ที่อุทยานนันทวันได้คือถ้าไม่ได้พบเห็นอุทยานานุนทวันไอ้นันทวันแล้วก็แสดงว่ายังไม่รู้รู้จักความสุขคือท่านไม่ไม่เข้าใจว่าสุขมันก็ไม่เที่ยงตัวท่นทนนทวานเองก็ไม่เที่ยงไอ้นันทวันเองก็ไม่เที่ยงแล้วก็ที่สาคัญอย่างยิ่งก็คือ เป็นความรู้สึกความสุขมันไม่จะสุขจริงนะสุขจริงต้องไม่มีทุกข์ถ้ามีทุกข์อยู่ก็แสดงว่าสุขเป็นความทุกข์มันลดเฉยๆที่เราคิดว่ามันสุขวันเทวราองค์ที่สองนี่ท่านกล่าวถูกแต่ที่น่าชื่นชมคือท่านเคารพความคิดเห็นของพระหานทั้งหลายประสุตตัวท่านเองท่านไม่เห็นหรอก แต่ท่านได้ยินว่าประหานทั้งหลายนี่ท่านท่านกล่าวไว้ว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่ถิพกอนนี้ก็คือบทอ น, นิจจานะอ น, นิจจาวัฏสังขาราประรยธรมิโนปะจิตตวานิรชนตีนั่นแหละพวกนี้เราก็เรียกจริงว่าเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งนี้ได้ยินบ่อยไปงานศพแต่ละที พระเองก็ที่สวดผีก็ว่ากันก็เรียกว่าทุกคืนแต่ว่ามันก็อยู่ในสภาพที่เรียกว่านกไม่เห็นฟ้าปลาไม่เห็นนม้มไส้เดือนไม่เห็นดินก็ปรารถนาไ ข, ขว้าสิ่งที่ไม่เชี่ยงเร่งๆตามปกติจากการสังเกตว่า วัดที่มีเมนพระที่เรียนหนังสือประสบความสำเร็จเนี่ยหรือ ว, ว่าแยกไปปฏิบัติตัวเองในด้านกรรมฐานตูงนี้จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับสวดมนต์ันันเพรสวดมนต์ชั้นเช้าสวดมนต์สวดผีอะไรต่ออะไรน่ท่านไม่เอาแสดงว่าเป็นฝึกปลือตัวเองแล้วเอาชนะใจตัวเองได้ ทั้งทั้งสังขารทั้งหลายไม่จริงคำว่าสังขารเนี่ยสังขารในที่นี้เราจะเห็นว่าพูดทั้งทั้งรูปไปทำแล้วก็นามธรรมคือสิ่งที่มันผสมกันเยอะๆมันไม่มีหน่วยเดียวเราก็หยิบอะไรมามันก็เป็นสังขารหมดเลย นะแม้แต่เสียงเนี่ยมันก็เป็นสังขารนะมันเกิดขึ้นจากองค์ประกอบร่วมกันของหลายๆเรื่องเพราะสังขารก็คือสิ่งที่ผสมกันส่วนหนึ่งมันก็มีกลางๆคือไม่ดีไม่ชั่วอะไรมันเป็นสภาวธรรมที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วกระดับไปนะเช่นเราเกิดมาเนี่ยชีวิตแต่ชีวิตมันก็เป็นสังขารเราก็เรียกว่าอุปาทินอากาศสังขารสังขารที่มีใจครอง คือสัตว์ที่มีชีวิตเราก็เรียกว่าสังขารนี่ไม่ใจครองแต่มันก็ไม่เที่ยงให้เห็นนะประเด็ดนนี้ท่านพูดในแง่ไม่เที่ยงนะแต่อย่าลืมว่าเมื่อเราเห็นไม่เที่ยงเราจะเห็นเป็นทุกข์เราจะเห็นเป็นอนัตตาตามไปแต่ว่าคำํำว่าเห็น่ะ คำว้เห็นนั้นไม่ได้ไว้เห็นท่องได้แต่ว่าเราจะต้องเห็นการเพิ่มขึ้นกับการลดลงด้วยหมายความว่าการเพิ่มขึ้นของปัญญาเป็นเครื่องมือในการพินิษพิจารณาจนเข้าถึงความจริงของสังขารทั้งหลายเหล่านั้นว่ามันเป็นข้อมันอย่างนี้แหละและเวลาประสบกับสังขารเนี่ย สติปัญญาจะรู้ทันแต่จิตจิตสงบนิ่งเพราะจิตมันเข้าถึงกติธรรมดาแล้วก็ในขณะที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับสังขารอะไรก็ตามสติปัญญามันรู้ท้าทันญญอย่างนี้พระเจ้าทรงแสดงไว้ในโลกธรรมสูตรเนี่ยคือคือคือมันสรุปได้ดีคือทรงแสดงว่า ลาบยศทันสสุขซึ่งเป็นส่วนที่มนุษย์ต้องการปรารถนาและก็เสื่อมลาบเสื่อมยศดินธาตุทุกซึ่งเป็นส่วนที่คนไม่ต้องการไม่ไม่ปรารถนาเนี่ยมันเกิดขึ้นแก่คนทุกคนนั่นแหละไม่ได้เลือกใครหรอกเพียงแต่ว่าเกิดมากหรือเกิดน้อยแต่ว่าจุดที่มีปัญหาไม่อยู่ที่มากที่น้อยมันอยู่ที่ว่า เวลาเกิดแก่ผู้ตุชนผู้ไม่ได้สดัะศึกษาไม่เข้าถึงธรรมะของพระริยาผนใจท่านว่าจะจะฟูจะแฟบไปตามความเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่ท่านได้กับท่านเสียหมายความพอเสียก็โศกพอได้มาก็เดียวกิใจนะฮะปีติชื่นชมยินดีเรียกว่าใจมันฟูขึ้นแฟบลง ตามความเปลี่ยนแปลงของสิ่งนอกตัวจริงๆถ้าเรามองดูให้ดีมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเพราะถ้าหากว่าเราต้องดีใจในกรณีที่ได้ลาบยศสันสนสุขเราก็ต้องดีใจหัวเราะตลอด24ชั่วโมงเพราะมีการได้ลาบยศสันสนสุขกันทุกขณะในโลกนี้ใครได้ไม่รู้แต่ น, นั้นเองก็แสดงว่าเราต้องเอาอัตราของเราเข้าไปบวก ต้องเรากับพวกเราได้เรากับพวกเราได้เท่านั้นมันจึงเกิดรู้สึกพอใจยินดีชื่นชมกับสิ่งที่ได้และกับตัวการได้กระนั้ความว่าใจก็ไม่มองเห็นค่าของสิ่งเหล่านั้นแต่โดยความรู้สึกลึกๆเนี่ยมันจะอยู่กับเราชั่วนิรันดร น, นั่นคือปัญหาแล้ว เพราะใจที่ฟูขึ้นบอถึงจุดเด่งมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดหมายให้ให้มันเป็นเพราะมันเป็นของไม่เที่ยงเราก็จะมีความสุขมีความเสียใจเวลามันเปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นเสื่อมราบเสื่อมยศนินทาทุกทีนี้ถ้าเราถือว่าเสื่อมราบเสื่อมยศนินทาทุกเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เสมอไปมันก็ไม่จริงอยู่อะ เวลามันเกิดแก่คนที่เราไม่ชอบเราก็ดีใจอ่ะประเกิดที่เราชอบคนที่เราชอบเราก็เสียใจเราก็ไม่พอใจมันก็แสดงว่าเราเอาเราเข้าไปบวกเข้าแท น, นที่จะเก็บเราเฉยๆสับ้างอย่าไปวุ่นวายอย่าไปแบกรับในเรื่องเหล่านั้นมากเกินไปแต่ก็มีปัญญารู้เท่าทัน ใจก็ไม่ฟูไม่แปเพราะฉะนั้นเพเหล่านี้พอเกิดขึ้นแก่พระยะพระยะท่านมีสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์อย่างน้อยก็มากพอที่จะคุ้มครองตัวเองเพราะสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นท่านมองเป็นภาพรวมซึ่งหมายความว่าเราชอบหรือไม่ชอบไม่รู้มันเป็นอย่างที่มันเป็นนั่นแหละใครจะชอบหรือไม่ชอบไม่ได้เกี่ยว มกีว่าถ้าเราชอบเธอจะอยู่ยังยืนตลอดไปนะถ้าเราไม่ชอบเธอรีบไปนะมันก็ไม่ไม่ใช่มันเหมือนกับ น, น้าท่วมหนองนนั่นแหละมันเป็นเหตุปัจจัยของมันนะเราจะไปทำอะไรมันไม่ได้คือถ้าเรายิ่งแก้ปัญหามันยิ่งสร้างปัญหาอ<ร>ย่างนี้ก็มีข่าวว่าจะเปิดน้ำให้ลงไปในนาของชาวบ้าน แล้วเพื่อป้องกันคนรวยนะให้คนจนก็รับทุกแตนไปมันก็ไม่ยุติธรรมอ่ะทีนี้ปัญหาถ้าเราชดชาเชยเหมาะสมก็จริง ๆ, งๆมันก็ไม่แปลกคือเชื่อกันเทนสบุตรปนาปแปลงเนี้ยเขาเก็บเกี่ยวได้สักกี่เกวีย น, นก็ให้สตางค์เขาเท่ากับราคาข้าวที่เป็นปัจจุบันปกฟังได้แต่น้ำปกติแล้วมันก็ ไม่ได้ให้ครบอย่างนั้นนะแต่มีปัญหาเหตุอะไรเขาสร้างปัญหามันก็แก้พอพอเกิดปัญหาเราแก้ปัญหาแล้วมันสร้างปัญหาสร้างปัญหาต่อไปอย่างนั้นดังนั้นการแก้ปัญหาในวิธีของพุทธจึงไม่ไปแก้ที่แบบแบบจะมองทาหรือแบบเก่าแพร่คันแต่จะเป็นการแก้ ในรูปของการถอนรากถอนโคนปนัญหาเพราะในกรณีเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าเราไม่ไปกาหนดว่าเป็นของเราว่าเป็นเราว่าเป็นตัวตนของเราเนี่ยมันไม่มีอะไรเพราะนั้พระเจ้าพระสิ่งเหล่านี้เกิดคิดเนี่ยปัญญาท่านเกิดสัมพันธ์กันทันทีเลยสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราแต่สิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนัตตา มันไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราและไม่ใช่ตัวตนอะไรของเราเกิดมันก็เกิดตั้งอยู่มันก็ตั้งอยู่ดับไปมันก็ดับไปถ้าเราคิดพวกกรรมคุณทั้งหลายว่าเหมือนแกแขกที่มาเยี่ยมที่บ้านเนี่ยเข้ามาเพื่อจะไปนะเพ่จะมาเพื่อจะอยู่แต่เราใจเตี้ยนใจยอมรับว่ามีญาติพี่น้องหรือพ่อแม่เลย ต้งการจะมาเยี่ยมแต่ว่าจะมาพักแค่สามวันนั้นเองเราก็ทำใจเตรียมใจไว้ตั้งแต่ต้นพอแม่มาก็ดีใจแหละเวลาท่านมาเราก็ดูแลใจใส่ท่านแต่ก็นับถอยหลังคือวันจะไปเนี่ยมันใกล้เข้ามาทุกขณะที่เราหายใจเข้าออกเนี่ยวันจะกลับบ้านของพ่อแม่เนี่ยมันก็ใกล้เข้ามาพอตั้งกลับเราก็สงัน ก็ท่านั้นเว้นสังขารทั้งหลายเวลาสัมสัมสัมผัสเขาเวลาเกี่ยวข้องอะไรกับเขาเนี่ยถ้าเรารู้เท่าทันเขาเออมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเคยได้ยินคำกรอนของหลวงตาแจ่มเป็นเล่มเล็กๆอ่ะเคยอ่านนานแล้ว เขาบอกอดิจังสังขารคารไม่เที่ยงเกิดมาแล้วตายเกลี้ยงไม่เดือดรอทั้งผู้ดีเข็นใจตายเตียนย่อถึงตัวหมอก็ต้องตายวายชีวันแม้พระพุทธเจ้าพระพุทธสีระยังไม่เที่ยงเลยมันก็เที่ยงเฉพาะผลที่เกิดขึ้นภายในพระไถยของพระองค์ก็คือปัญญาบริสุทธิ์กรุณนะ คือตัวนิพพานนะฮะมันเป็นของที่เที่ยงแท้จังยืนเพรา ะ, ะนันเราจะเห็นว่าพระทัยของพระธเจ้าจริงๆเนี่ยคือเข้าถึงใจรักษณเข้าถึงไม่เชี่ยงเป็นทุกข์แต่ว่าอนัตตาเนี่ยคือนิพพานมาเป็นอนัตตาอยู่ด้วยเพราะอะไรเพราะว่ามันว่างจากตนามานาทิฏฐิแต่ว่า คนส่วนปลาย่วนส่วนใหญ่ก็ชอบเป็นตัวเป็นตนนะฮะที่สังคมไทยที่จริงมันมีมาอย่างนั้นตลอดสังคมพูดมีอย่างมีมาอย่างนั้นตลอดแต่เราพยายามทำความเข้าใจว่าเอออย่างไงมันก็ดีอย่างไงก็ดีกว่าที่เขาไม่เชื่อถืออะไรไปเลยแต อ, อย่างน้อยที่สุดเนี่ ย, ออ ย, ยเขาก็รักษาศีลแหละเขาก็ต้ อ, องอเจริญสมาธิแหละ ใจเ็าต้องสงบอยู่ระดับหนึ่งมันก็ลดลกความชั่วไปได้ระดับนึ่งปัญตรก็บอกว่าน อ, อนิจจาวตสสงคาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปดวยะธรรมิโนมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาคือหมายความมันถ้ามีเหตุปัจจัยให้เกิดมันก็จะเกิดเหตุปัจจัยตั้งอยู่มันก็ยังตั้งอยู่เหตุปัจจัยมันดับมันก็ต้องดับ มันจะตั้งอยู่ชั่วนิรันดร์ไม่ได้มันไม่มีอะไรชั่วนิรันดร์ถ้าตราบใดที่ยังเป็นสังขารอยู่ก็จะเป็นนิรันดร์ไม่ได้เห ม, มืนถ้าถ้าเรามีปัญญารู้รู้ท่ทาทังความจริงของมันเตืยนใจคือยังนึกถึงถึงเนี้ยถึงการเป็นในอะไรต่างๆเนี้ย เช่นในแวรวงของพระเวลาเนี้ยเขาจะมีกะเกษียณเขาจะมีมีกเกษียณอายุราชการตำแหน่งบริหารจากเจ้าคณะตำบลขึ้นนะฮะขึ้นไปเนี่ยจนถึงเจ้าคณะภาคทาไมเจ้าคณะข น, นกมศไม่เอาด้วยก็ไม่รู้เนะะี่ยพอแปดสิบแล้วท่านจะเกษียณแต่มายังมองอยู่ว่ ถ้าเรามีตำแหน่งทางบริหารอย่างนงั้นนะ่นะฮะพอเริ่มสักสองปีสมมติว่าเราเป็นภาคเนี่ยพอสองปีหลังเนี่ยมันต้องเริ่มให้รองภาคเขาเคลื่อนไหวละเขาทำงานเราก็มอบหมายไปเป็นพี่เลี้ยงเขาไปช่วยเขาแล้วก็อาจจะถอนตัวสักก่อนก็ได้นะเพื่อให้เขาได้ยืนหยัด ทำงานที่เชื่อมต่อกันได้คือไม่ไปต้องรอไอ้มันต้องแปดสิบแล้วแปดสิบมันก็เกินไปนะนะอยู่นานเกินไปแต่ก็ยังว่าคือคือพระเราในไม่เท่าไรเราเวรนี้ลูกศิษย์เดี๋ยวไม่ยอมลูกศิษย์นี่โอ้ยุ่งจังเลเป็นเจ้าข้าเจ้าของเป็นเจ้าข้าวเจ้าของจะเอาอย่างนั้นจะเอาอย่างนี้จะเอาอย่างโ น, น้นแล้วผลุทธานี่พระก็เสีย นะทั้งๆที่ตัวเองก็จะเริอนใจรักอยู่นะไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นหน้าตานี่ยก็จะเริอนใจรักอยู่มันก่อนก่อนซื้อพิ ม, มาสัมภาษณ์ไปทำนองว่ามีการวิ่งเต้นจ่ายเงินจ่ายทองเพื่อสัมพนรรันธสักรบอกไว้ข่าวลือนมันมีแต่ก็ไม่เคยมีหลักฐานหรอกแล้วก็ถ้าจริงก็หมายความลูกศิษย์แหละเด็งานเนี่ยแต่พระเดินมันก็การหนักหน่อยนะ ก็ <G ül> ที่จริงแล้วเนี่ยมันมันไอความเป็นตรงนี้มันก็เหมือนกันน่ะคือคือไม่เชื่อมกันเพราะมันเป็นสังขารยิ่งเราเป็นเราก็ใกล้กันไม่ได้เป็นอายุเราสูงขึ้นสมมุติเราเป็นน่ะและที่จริงเราจะไม่ได้เป็นใกล้ขึ้นเหมือนกันสมมุติเราเจ็ดสิบห้าเราเป็นเออเราทัศเจติหกเราตาย ระสมนสักของพระบางทีเนี่ยมีมีบ่อยมีเกือบทุกปีเลยเนะฮะในระยะที่ท่านรับสมณศักไปบางองค์เนี่ยรุ่งกระช้าตายเลยบางองค์สองสวันตา ย, นยในรอบหนึ่งปีเนี่ยจะตายไปเยอะเลยมันก็แท้จริงไปเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสังขารทั้งหลายพื้นที่ที่ พระเจ้าทรงแสดงว่ามีความเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปนี่เป็นธรรมดาเกิดปั๊บมันก็ไหลเข้าสู่ความเสื่อมความเสื่อมมันเป็นนิรันด์แม้แต่ตั้งแต่ถือไปสนธิมาแล้วมันก็เกิดไปสนธิปั๊บมันก็ไหลเข้าสู่ความเสื่อมแต่ว่าเสื่อมในรูปที่จเจริญเราก็เรียกว่าเป็นความแก่ที่ปกปิดเอาไว้ มันแม้แต่เสียงระฆังในทางฝังหลอดสังเกตปังเสร็จแล้วมันก็เสื่อมแล้วก็ตีใหม่แล้วก็เสื่อมตีใหม่ก็เสื่อมเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอันนี้ที่ท่านอุ ป, ปมาวิจกวิจารณ์ที่ปรากฏในองค์ฌานเนี่ยวิตกเหมือนก็ตีระฆังวิจารเหมือนเสียงระครังที่หยหัวนเนี่ยมาติกันอะ แต่ในอภิธรรมถ้าไปแยกอยู่คนละชาญกันเลยนึกไม่ออกเหมือนกันเพราะเราไม่เคยพบที่เป็นระดับพระสูตรแต่พบที่อภิธรรม เ, เขามีอย่างนั้นแต่นี่ปัจญจมาฌานสรุปแล้วว่าเกิดขึ้นแลว้วก็ดับไปเกิด ข, ขึ้นแลว้วก็ดับไปไอันนี้กียิบเลยเกิดแล้วลดับไปเกิดแล้วดับไปอะไรก็ไม่รู้ว่าทําเป็นสังขารแล้วมันเป็นเข้ามนอย่างนี้เอง มีความเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาอย่างที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่ารับสั่งก่อนที่จะสวรรคตเนี่ยรับสั่งว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่บุคคลไปยึดมัน่นหรือมั่นเอาไว้ว่าเป็นเราเป็นของเราหรือเป็นตัวเป็นตนของเราก็ตามยึดมัน่นหรือมั่นยังไงก็ไม่รู้นะแล้วแต่มันจะไม่มีโทษเนี่ไม่มีเลย ของเรามากเท่าไหร่โทษมันจะมากเท่านั้นเราเป็นมากเท่าไรนี่เราจะเดือดร้อนมากเท่านั้นแล้วก็รู้สึกเป็นตัวเป็นตนมากเท่าไหรเนี่ยจะขับคล้องไปหมดมันไปที่ไหนมันมันลำบากจะ อ, อยู่ยากจะนั่งจะยืนจะเดินจะรับประทานอะไรแต่ละโอ้มันต้องดูศักดิ์ศรีไปหมดเลยมันยุ่งรุงรังไปหมดแต่ไม่รู้อะไรกันนั่งนาะ แล้วบางครั้งบางคราวเนี่ยเราเราปรุงแต่งอะไรกันจนจนเกินเหตุเกินผลไปภาษีคนนี้ที่จริงก็เรียกว่าในแวดวงวัดที่มีเมรเนี่ย เ, เสียงนี้ถ้าอัดไว้นะว่ากันแต่ทีแต่ทีอัดไว้ทุกสาราสาาเนี่ยก็หลายครั้งนะวันหนึ่งเพราะด้วยที่ดีที่สุดก็คือเตสังมูปะสะมุสุขโข การทําจิตให้สงบระงับในสังขารทั้งหลายอย่าไปคาดหวังจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้จะเป็นอย่างโน้นมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดแต่มันเป็นแล้วมันจะเป็นอย่างที่มันเป็นนั่นแหละนั่นคือความหมายของธรรมะคือธรรมะนี่เขาจะเป็นอย่างที่เขาเป็นคนเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราตั้งความปรารถนาอย่างไงเราก็ไม่สามารถที่จะให้เป็นไปตามที่เราต้องการได้กินข้าวแล้วก็อิ่มอิมแล้วก็หิว อาบน้ำสะอาดสะอาดแล้วก็สกรปรกต่อได้ตอนนี้มัน ไ, ไม่เป็นธรรมดากันสังขารทั้งหลายมีความเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาทั้งฟังทงั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทายาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเทาน่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอกงามไพบูรณนธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี